ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไแต่ร่มประสติญาณกำมังนำเสนอในยะแห่งอภิญญาที่เราสามารถจะโดยเสด็จรอยอยุคนบาทของพระพุทธเจ้าได้หรือเดินตามรอยเท้าพระหันได้ระดับหนึ่งวันก่อนได้พูดถึงประเด็นของปุเพณนวาสารติ ญ, ญาณแก่การลลึกชาติได้ ก็หมายความว่าเราถือในายา่าได้ทุกตอนคือชาติอดีตก็ได้นะแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือชาติปัจจุบันที่ตนเองไปยึดโยงไปเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นแล้วก็สืบสาวไปว่าไม่มีท่านก็ไม่มีเราการที่มีเราเพราะมีท่านไม่มีวันนั้นก็ไม่มีวันนี้นะ่ะเราก็กลายเป็นลูกหนี้ที่จะต้องชดใช้หนี้เป็นนั้นมาก ทั้งต่อครอบครัวทั้งต่อบรรพชนทั้งต่อชาติปันเมืองศาสนาสถาบันพระมาหากษัตริย์ในลักษณะที่ทํำยังไงว่าตัวตายแต่ชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นตราประดับโลกหลวงเรามองดูบรรพชนเรามองดูบุรพจารเรามองดูบุรพมาหากษัตริย์เนอดี มันก็เป็นแบบฉบับที่ควรแก่การศึกษาทั้งนั้นแล้วข้อต่อไปก็คือที่ไปจักสุหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าจุตูปฟาติยานที่ไปจักสุมีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งก็คือถ้าต้องการเห็นก็เห็นนะต้องการจะดูก็เห็นตามที่ตนต้องการจะจะจะเห็นอยู่ไกลยังไงก็ได้แล้วก็รูปยังไงก็ได้ รูปทิปนะฮะเพื่อเจ้าสามารถติดต่อกรับเทวดาทั้งหลายได้นะสนทนาธรรมะกันได้หรืออะไรนะแต่ว่าเมื่อไม่ต้องการดูก็คือไม่เห็นใช้ตาเนื้อธรรมดาตัวอย่างที่พึงสังเกตเช่นในกรณีที่พระโมคคัลลา น, นะกระประักกะเทระเดินลงจากภูเขาคึจากู ด, ด้วยกัน โดยยุปริษฐานแล้วพระลักษณะบทก่อนนะฮะแล้วก็เป็นพระหันมาก่อนแต่พรรักษณะท่านก็เป็นพระเรียบเรียบเป็นพวกบริวารเขาโบราณชดิมพระโมกคลลานะนั้นเป็นพวกมหาปัญญานะ่ยเพราะท่านเดินลงมาในท่านใช้ที่ประจักษ์สุขตวจดูสัตว์โลกมาด้วยในขณะที่พรรักษณะท่านไม่ได้ใช้ เมื่อพระโมกขารนาเห็นเนพรยภารกณาไม่เห็นนะัทั้งที่เป็นพระหันด้วยกันพระาหารหันนั้นท่านจะแยมคือไม่ถึงกับยิ้มอย่างที่เรายิ้มพระโมกขารนาเห็นเปรตสารพัดรูปร่างอะไ ร, ะรต่าแต่างกันทั้งก็แยมภารกณาถามถึงสาเหตุที่แยมพระหันแยมในเรื่องใหญ่นะพระปกติแล้ว หน้าตาท่านจะเออบิ่มแต่ก็ไม่ยิ้มอ่จะจะเจออีบิ่มหัพุ่นเยอกเจ็นแต่ไม่ยิ้มก็แบบมกกระลานะก็บอกให้ไปถามในสนักคระปุถุเจ้าเมื่อไปถึงไปลักษณะถารรมท่านก็เล่าให้ฟังว่าได้พบเปรตอย่างนั้นอย่างนั้นงั้นพุถุเจ้าก็รับรองให้ว่าก็เป็นเรื่องจริงเพราะพระองค์ก็เห็น วัน จ, จะรู้เนี่ยผู้เจ้าสวดูสัตว์โลกก็เห็นละแต่ตลอดระยะเวลามาเนี่ยเจ็ดแปดเดือนเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เคยเทศในเรื่องเหล่านี้เหตุผลก็คือว่าเมื่อพูดไปแล้วคนที่เขาเชื่ออยู่แล้วน เ, นเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องพูดเรื่องเหล่านี้อธิบายธรรมะได้เลยคนที่ยังไม่เชื่อเนี่ยมันอาจจะเชื่อหรืออาจจะเกิดความเครีบแคลงสงสัยเพิ่มขึ้น หรือว่าคงเดิมแต่พวกที่ตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์นี้จะด่าว่ามันจะเป็นบาปแก่คนเหล่านั้นเพราะคุณสมบัติพิเศษเหล่านี้มันมีความเป็นดาบสองคมนะสมบับคนอื่นไม่จะสมับท่านคือคนที่ฟังเนี่ยมันอยู่ที่เขามีความรู้สึกยังไงท่าทียังไง อย่างนี่บอกว่าอย่างอิทธิฤทธิ์อย่างเนี้ยมันเหมือนกับพวกมายากลบางอย่างยกตัวอย่างทด่พระเจ้าแสดงอยมกปฏิหารทรงปลูกต้นกายคันธามะพริกนะฮะมะม่วงที่ชื่อกันธามะเนี่ยในเวลาพวดเดียวนะฮะมันกลายเป็นต้นมะม่วงมะขือมาใหญ่โตแตกกิง่งใหญ่ห้ากิง่งมีลูกผลเต็มไปหมดเลยถามว่ามายากลทําได้ไหมทําได้ เดย่เพราะงั้นคนที่มันมีความรู้สึกต่อต้านรู้สึกไปเสดเมื่อไหรจะโจมตีพระเจ้าเล่นคนก็นได้แล้วก็บาปแก่นคนเหล่านั้นเป็นอริยภาวะพระเจ้าทรงกรุณาต่อสรรพสัตว์ไม่เลือกหน้ามันไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเจ้าพูดหรือไม่จ้าพูดพระพุทธเจ้าเป็นโลกเชษฐ์นะเป็นพี่โตพี่ชายคนโตของชาวโลกกับชาวโลกทุกคนเนี่ยแล้วก็บางอย่างอย่างเนี่ยอย่างเจโตปริยารู้จักใจถ่ายใจคนเนี่ยมันไปคล้ายกับวิชาอย่างหนึ่งเขาเรียกว่า จินดามณีมาความไร้มนนะรู้ความคิดคนก็ ค, คิดยังไงพราะงั้นพระพุทธเจ้าไปแสดงให้เขาชัดเจนว่าพระพเจ้าใช้เวทมนต์จินดามณีเนี่ยมันเหมือนกับเวทมนต์จินดาแมนีที่เขารับรู้เนี่ยเขารับรู้จินดาแมนีมาแต่เขาไม่รู้เรื่องเจตัวปลายาเพราะเขาก็เข้าใจว่า น, นี่คือจินดาแมนี ก่อนที่พระเจ้าจะปณิภาวปะาะสามปีนะฮะท่านนิครนทบุตรได้ส่งอุบาลีข้าบดีไปเพื่อจะกรอบเอาพระเจ้ามาเป็นลูกศิษย์ท่านนะมันเบ่งใหญ่โตแล้วเก่นนะจเจ้าขราพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ก็เตรียมกันวางแผนกันทั้งหกเดือนนะฮะทีนี้ที่ไล่กันไปเจอพระพุทธเจ้าประโยคเดียวก็หงายหลังนละ แล้วก็ฟังธรรมบรรลุมรรคผลเป็นมระโซนดาวบันตอนนั้นเองพระเจ้าก็ถูกหาว่าใช้อาวัตนณีมายามนมนกลับใจคนไปจับไกลคนที่ไม่เชื่อให้เชื่อจับไป ค, คนที่ต่อต้านให้ไม่ต่อต้านอะไร่ะไรเนี่ยมันถือว่าเป็นละการเล่นเว็ดมนแต่แต่ละอย่างเป็นการกล่าวหามนนักงเป็นบาปแก่คนเหล่านั้นพระเจ้าในฐานะที่เป็นโลกาโนกรรมประกาศคืออนุเคราะห์ต่อชาโลกก็จะ ไม่แสดงอะไรให้คนเหล่านั้นเขามีความรู้สึกในทางไม่ดีเพราะงั้นเรื่องเปรตเนี่ยถ้าพระโมคคัลลานะไม่ไปพูดขึ้นพระเจ้าก็จะไม่เทพแต่เมื่อพระโมคคัลลานะพูดแล้วถ้าพระพุทธเจ้าไม่รับรองก็พระโมคคัลลานะก็โดนอีกอะเหมือนกันเพื่ออนุเคราะห์ต่อชาวโลกพระเจ้าก็นำเรื่องเหล่านี้มาแสดง ว่าแนวของจุตูปาตายานในความหมายว่าทิปจักรสุเนี่ยคือมันเรียกสองชื่อนะฮะถ้าเรียกทิปจักรสุก็แสดงว่าในในกลุ่มธรรมะตรงนั้นะจะไม่มีคำว่าจุตูปาตายานแต่บางทีมันมีคำว่าจุตูปารายานอยู่ก็แสดงว่าในตรงนั้นจะไม่มีคำว่าทิปจักรสุเพราะาเป็นเรื่องเดียวกันเป็นองค์ธรรมเรียวกันแต่ว่าใช้ เน้นเนี่ยคนละกรณีกันเอาในกรณีของทิพย์จักรสุนี่ยก็แสดงว่าเนื้อหาของมั น, นี่ยอยู่ที่ว่าต้องการดูก็เห็นไม่ต้องการดูก็ไม่เห็นแล้วก็แนวเดียวกับเรื่องของทิพย์โสธรที่ว่าไว้ในวันก่อนนอนคือปัญหาเป็นนันมากเนี่ยที่เราพูดได้เลยเราหาเรื่องเอาเองวิ่งไปดูเขาอยากดูเขาอยากฟังเขา บางครั้งบางคราวคนก็นินทาเอาไปเชื่อความมาดูใะ่ไก็นินทาว่ายังไงแล้วจะรู้ไปทาอะไรนินทาไม่ใหญ่ข้าวเป็นหอกเป็นแหลนอะไรนี่นะอยากจะนินทาก็นินทาไปทำไมจะไปอยากรู้อยากฟังเขาเคยม่เรื่องเป็นนันมากเนี่ยถ้าเราไม่ดูมันก็จบ สมมติว่าเขาแลบลิ้นปิ้นตาเขาท่าทาง ท, า ท, าท้าทายผอมคูแอะไรแต่เราเราไม่รู้ก็จบอะแล้ว น, น, นี่อะไรลักษณะาอารมณ์ที่กระแทกใจคนเนี่ยถ้าเราดูในส่วนเื่นๆเนี่ยคือเทียบเคียงได้เลยเช่นสมมติว่ากลิ่นเหม็นเนี่ยเราอั้นลมหายใจมันก็เข้ามาไม่ได้หรือว่าคนโยนของสกรปรกให้เราเนี่ยเราไม่รับเนี่ยก็จบ ก็ก็เบื่อนเข้าคนเดียวเพราะสัมผัสทางตาทางหูทางจ ม, มูกทางลิ้นทางกายตลอดถึงทางใจเนี่ยไม่อยู่ที่ใจเราว่าเรามีท่าทีอย่างไงเรื่องบางเรื่องเราไม่ดูก็จบดูแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาก็ไม่ดูฟังแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาก็ไม่ฟังดูแล้วฟังแล้วสัมผัสทั้งหมดนะฮะหมายความถ้าเกิดประโยชน์เราก็ ดูเราก็ฟังแต่บางอย่างเนี่ยมันจะลึกซึ้งกว่า น, นั้นมันจะไปเพิ่มก็เรียกว่าความใส่ใจการใช้ปัญญาคิดปินิพพิจนาสิ่งทั้งหลายที่เราเห็นเนี่ยถ้าเราภูมิปัญญาเราสูงพอเนี่ยเราหาประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยถ้าฝังลองสังเกตว่าแนวอารมณ์กรรมฐานเนี่ยก็ยังนึกถึงแนวร e c ซเค e ในปัจจุบัน บก็คืออย่างงั้นคือหาประโยชน์จากทุกอย่างที่มันคนอื่นเขามองไม่เห็นประโยชน์เนี่ยทำยังไงเราจะหาประโยชน์ให้ได้แต่พระพุทธศาสนาจะสอนอีกเรื่องหนึ่งแต่ถามว่าในการบริหารทรัพย์สมบัติเนี่ยเช่นว่าทรงพูดถึงสกุลนั้นมั่งคั่งจะตั้งอยู่ไม่นานพระสถานสีเนี่ยเช่นของหายไม่หาของชำรุดไม่ซ่อมแซมเนี่ย ก็ตัวอย่างชัดเจนว่าพวกนี้ที่จริงมันใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าคุณจะใช้หรือเปล่าล่ะคุณจะหาประโยชน์จากมันได้หรือไม่ในปัจจุบันนั้นเราอาจจะหวือหวาไปลอกเรียนแบบอเมริกามาเยอะนะที่จริงบริโภคพวกทรัพย์อย่างล้างผลาญ น, น่มันเหมือนกับเราเดินทางไปต่างประเทศอะไรขึ้นเครื่องบินอะไรแต่อะไรเนี่ยเราจะเห็นว่า ของที่เขาใส่อาหารได้รต่ออะดูเนะี่ยเสร็จแล้วก็ไปทิ้งชา้ารั้งเดียวิ้งแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปทำรีไซเคิลต่อนนะอนแนวตัว น, นี้อย่างบางเรื่องเนี่ยมันมันดีอย่างนึกถึงที่ประเทศอินเดียนะอินเดียนี่ถ้วยชาถ้วยชาอกเล็กนไหยก็เป็นถ้วยชาดินดิบกินเสร็จโยนทิ้งโยนทิ้งเมื่อกลายเป็นดินต่อ ทำไมต้องโยนทิ้งละ่ะเพราะว่าคนที่ทำถ้วยชาเนี่ยมันจะได้มีงานเขาไม่มีอาชีพถ้าว่าไปเผาแล้วก็ใช้ได้นานๆนน ใ, นในที่สุดสินค้าเนี่ยไม่สามารถที่จะออกสู่ท้องตลาดได้เพราะมันไม่มีใครเขาซื้อนะครับก็มีแล้วก็เป็นวิธีการที่ดีแนวการมองปัญหาเหล่านี้คือหาประโยชน์ได้จากทุกเรื่อง แต่สดงเราพบบัญญัติขึ้นไปน้าจะหาประโยชน์ได้อย่างกคงเคื่องในส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ระบบการคิดพิธีการคิดพระเจ้าคำว่ามนสิการเรื่องอะไรก็ตามคือคิดเรื่องอะไรก็ตามกิเลสที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นอย่าไปคิดมันคิดแล้วมันเป็นโทษมันก็เหมือนกับอะไรล่ะ ไห น, นเช่รับประทานอาหารไขมันในเส้นเลือดสูงขึ้นน้ําตาลสูงขึ้นหรืออะไรเนี่ยก็อย่าไปกินมันก็จบมันจะเรื่องแปลกอะไรเรายังไม่ได้กินนี่นะก็เอาชนะใจตัวเองให้ได้ก็อย่าไปกินมันในแนวตรงนี้มันอยู่ที่การใช้ปัญญาคิดการกรองสิ่งทั้งหลายแล้วก็เลือกเฟ้นให้หมอกให้ควรแกร่กรณี แต่ว่าสิ่งอะไรก็ตามที่เราได้เห็นได้ยินได้ดมได้ดิ้มได้จับต้องนะฮะมันดีไม่ดีช่างมันคือไม่ต้องสนใจตัวนอกแต่ว่าสนใจวิธีคิดปัญหาว่าเราคิดยังไงเราคิดได้เป็นเราก็ได้ประโยชน์จากการคิดตรงนั้นหมายความเราคิดอะไรก็ตามที่ ความดีที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นเนี่ยความดีที่เกิดขึ้นแล้วมันจเจริญ ม, มากยิ่งขึ้นก็คิดนะี่ยเพรแนวที่ของก็ทิ้งนะฮะเราจะเห็นว่าพวกอะไรสส บ, สบเิพศพอะไรแต่องไต่างๆนี้เยอะพวกอารมณ์กรรมฐานเนี่ยนะอารมณ์กรรมฐานนี่ชัดเจนมากเลยว่าเป็นของที่คนเขาไม่เห็นสาระประโยชน์มีเป็นนั้นมากนะเช่นพวกอสุภกรรมฐาน ปุปปาช้าก้าวกดีพวกไอ้อาหางเรปฏิกูลสัญญากดีพวกท่าทั้งหลายก็ดีเนี่ยพวกซากศพต่างๆเนี่ยก็พยายามหาประโยชน์จากเรื่องอ น, นั้นทีนี้ถ้าเราเข้าใจคิดอย่างนี้นะฮะถ้าเข้าใจคิดอย่างนี้เรื่องทุกเรื่องเราหาได้หมดเลยแม้แต่ละครน้ำเน่า น, น, น, น, น, น้ําเนี้เนี่ยต้อ ง, ตองแต่ต้องคิดได้เป็นเนี่ยนะฮะต้องคิดได้เป็นเพราะว่าตามปกติแล้วก็ยังนึกนะฮะว่า แนวละครเนี่ยคนเขียนเรื่องเขียนบทเนี่ยมันคนเดียวที่จริงมันน่าจะผ่านการการกรองผ่านการอภิปรายขานบันทกเฉียงแล้วก็นําเสนอเรื่องที่มันมีเหตุมีผลมากกว่านั้นหรือบางเรื่องมันไม่มีเหตุมีผลเพราะว่าเป็นความคิดของคนคนเดียวแนวตัวเนี้ยที่จริงถ้าถามให้สร้างสรร์มันก็สร้างสารร์อะไรได้เยอะนะฮะเป็การสอดแทรกธรรมะออกไป เราตรงนั้นที่จริงมันก็เป็นธรรมะอยู่แล้วอันหละอธรรมะอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรานําไปสอดแทรกเข้าไปตอนหนึ่งก็มาเขียนหนังสือขึ้นเล่มหนึ่งก็ตั้งใจว่าจะชื่อว่าวันบาเลนไทยรือเวนของคนไทยมันจะแรงไปนะเลยก็ใช้ในหัวข้อว่าคือวันมาฆบูชาในี่หลายปีมาเนี้ยมาจะเขียนหนังสือเล่มหนึ่งในชื่อว่า อยู่ดีมีสุขมันปีใหม่นี่ก็ใช่อยู่เย็นเป็นสุขมันมีสาขาก็แล้วแต่บางปีก็ทำทันบางปีก็ทำไม่ทันปีนี้จะวิเคราะห์เรื่องวันวาเลนไทน์ให้เขาฟังให้เขาดูนะครับเราสะท้อนในแง่มุมที่เราเลือกเอามาใช้ประโยชน์มันไม่ใช่รับมารุ่นๆอย่างนั้น รับมาแล้วก็ยุ่งไปในเรื่องอย่างปีสี่สามเนี่ยเราจะเห็นว่ามันตกต่ำสุดขีดคือทางราชการเอาถุงยางอนามัยมาแจกกันเองเลยก็แสดงว่าเน้นไปในเรื่องเพศแล้วเป็นความคิดที่น่ากลัวมากและน่าสยดสยองเพราะบัาหามันจะตามมาอีกเยอะเราก็วิครอะหดูว่า จริงๆในเรื่องของวาเลนไทยในสมัยจั ก, กรพรรดิราวดีอัเนี่ยมันไม่มีเรื่องเซกอยู่เลยนะไม่ได้มีเรื่องไม่มีเรื่องเพศอยู่เลยแล้วก็เล่าเล่าความนะให้ดูแล้วก็ดึงธรรมะมาให้ดูคือถ้าเรามองเป็นเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์เยอะเพราะว่าชีวิตของมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะมันเป็นบทเรียนระเบิดรู เป็นบทเรียนสม็จรูปอยู่แล้วที่พระเจ้าทรงสอนในรูปที่เป็ชิญรู ป, ปรธรรมนะฮะเช่นว่าอย่าคบพาในคบบัณฑิตทะยกย่องบูชาคนที่คนยกย่องบูชาเนี่ย แ, แสดงว่าคนเหล่านั้นก็ดีสมเ็จรูปชั่วสม็จรูปอยู่แล้วหรือว่าให้เดินไปตามมุนทางที่ท่านได้เคยเดินมาแล้วเนี่ยหรือคบพาน่า น, พ า, นพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเป็นตน้น แ, แสดงว่าท่านเหล่านั้นก็เป็นลีลาของธรรมะอยู่แล้ว บวกลบเนี่ยเป็นรายละเอียดแต่ถ้าเราเข้าใจคิดเนี่ยหมายความว่าท่านไม่ดีเราก็หาประโยชน์จากท่านได้คือไม่ทําตามท่านดีเราหาประโยชน์จากท่านได้คือเดินตามมันก็กลายเป็นแบบอย่างที่ลงตัวแล้วถ้าเรามองก็โดยความเป็นธรรมในฐานะที่เราเป็นลูกหลานมนุษย์เน่ยนะคือคนในโลกเนี่ยเขาจะเป็นใครนับถือศาสนาอะไรช่างเา้าอ่ะนะไม่ได้เกี่ยวแต่นั่นก็คือบทเรียน บทเรียนของชีวิตแต่ละบทเรียนเราสามารถจะเรียนจากใครก็ได้เพียงแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นเป็นไทยเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยทําไมไม่เรียนจากเรื่องพระพุทธศาสนาเพราะว่าคุณธรรมของเส้นวาเลนไทยเนี่ยถ้าเทียบกับคุณธรรมของพระหานซักองหนึ่งเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยเราไม่ต้องเทียบพระหานแม้แต่เทียบสามัญชน ถ้าบรชนที่เป็นคนดีพอสมควรนะ่นะมันก็เทียบไม่ได้แต่ว่าในเรื่องในหนังสือที่แจกมาคะแน่มายกตัวอย่างคุณนะรธรรมภาษาริบุตรให้ดูเหตุจ่ยกภาษาริบุตรก็เพราะว่าวันนั้นเน่ะเป็นวันภาษาริบุตรวันลูกมรรคผลเป็นพระหรันแล้วก็ตามสเสด็จพระพุทธเจ้าลงมาจากภูเขาคิชกุล แล้วพระหลานทั้งหลายก็มาประชุมกันพระเจ้าก็แสดงอวตารปฏิโมกในวันมาฆบูชาคือวันวันวันเวรไทยเนี่ยมันใกล้กับวันมาฆบูชาปีนี้ยังเข้าทีนะะคือวันมาฆบูชาเราอยู่วันที่แปดกุมภาแล้วก็อยู่วันที่สิบี่ตามปกติมาฆจะอยู่หลังปีนี้ก็ห่างกันหลายวันบางทีก็้ชิดกันสองวัน แต่เราก็ไม่หาประโยชน์จากมาฆบูชาแต่เราทำลายคุณนะสมบัติของความเป็นกุลบุตรกุลธิดาในวันวาเลนไทยกันอันนี้ก็คืออะไรคือขาดระบบความคิดระบบการมองที่มีปัญญาเข้ากำกับนะโดยในยักษ์ของที่ไปจากสุทีนี้ในยักษ์ของกิรตูปปาตยาเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะะว่า ความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์นี่มันอยู่ที่การลิขิตของมนุษย์เองเพราะจุดตัวปาติยานเป็นการศึกษาเรื่องกระบวนการของกรรมเพราการที่คนเกิดมาแตกต่างกันแตกต่างกันในทุกขณะที่ขณะความคิดนะมันแตกต่างกันแล้วเราสังเกตเาเห็นการต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองไม่ว่าอะไรก็ตามนะฮะมนุษย์จะมองแตกต่างกันแม้แต่การเลือกตั้งผู้แทนเห็นไหมฮะ คนได้ไม่ดีคนดีไม่ได้อา้าวกบประท้วงดัดยุ่งไปหมดเลยไปดูข่าววันก่อนเนะี่ยว่ายังมีค้างตึงจะตั้งพันเก้าร้อยเรื่องนึกถึงกรกตเนะี่ยจะทํางานอะไรกันก็ไม่รู้มันสู้ไม่ไหวนะฮะคนกร ก, กตกลางมีแค่ห้าคนนั้นเลงไปศึกษาวินิจฉัยเรื่องเป็นภูเขาลอกาทอนนั้นดึงเงื่อนเวลาได้จํากัดแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มาดูเรามองอีกทีหนึ่งว่า มันมีเรื่องอารมณ์มากไหมมันมีเรื่องของการคือพักถือทว่วมากไหมหรอวอมองเป็นความเป็นสากนเนี่ยความเป็นชาติถ้าเรามองความเป็นชาติบันเมืองให้ได้แล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงมากเกินไปแล้วการเข้าใจในกระบวนการของจำ อย่างน้อยที่สุดเวลาเรามองคนอื่นเราก็มองว่าเขาก็เป็นไปตามคำเขาคือไม่ต้องไปสั้นเติมเวลาเขาทำผิดแต่อาจจะยกย่องชื่นชมเมื่อเขาทำดีแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราจะหาประโยชน์เราเอาไรใประโยชน์แต่การทำผิดของเขาเนี่ยเป็นเครื่องมือให้สำรวมระวังคือเราไม่ทำอย่างเขา แล้ที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือความดีความชั่วเรายังไม่ได้ทำเราสามารถจะเลือกปฏิบัติได้เลือกรักชั่วเราพิจารณาความดีได้ก็แสดงว่าเราประจําแน็กชีวิตเราได้ว่าเราเลือกทางเดินนจะไปทางไหนละ่ะจะไปซ้ายจะไปขวาเราก็เลือกด้วยตัวขอเราได้ มันก็ทำความเข้าใจ ก, กฎเกณฑ์ของกรรมประด็นแง่ความเป็นจริงและสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมข่าวเรื่องราวต่งตางๆที่เราได้ยินได้ฟังจะสื่อเยอะแย า, ยาไปหมดเลยนะเดี๋ยวถ้าเราศึกษาเรื่องกรรมแล้วเนี่ยจะหาประโยชน์ได้จากทุกเรื่องดังกล่าวแล้วก็ที่น่าดีใจเวลาเนี่ยสังคมเราเริ่มหันเข้าจับในกฎเกณฑ์ของกรรม สร้างสำนึกคุณของแผ่นดินสำนึกคุณของบรรพชนในอดีตได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ปัญหาว่าจะทำได้นานมากน้อยแค่ไหนเป็งไลเป็นเรื่องที่น่าคิดแต่ถ้าเราได้ทำอย่างต่อเนื่องนะทำอย่างต่อเนื่องฝูกจิตวิญญาณของความสานึกชาติให้เพิ่มขึ้น แ, แต่ละคนรับผิดชอบในกรรมของตัวเอง ก็มีอยู่สองอย่างานล้วเด็กไงงดเว้นกับประพฤติกรรมใดควรงดเว้นก็งดเว้นกรรมใดควรประพฤติก็ประพฤติเมื่อกลายเป็นประสานกันระหว่างทิประจักสุกกับการมองที่กรรมเพรจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันมายาเหล่านี้เป็นการเดินโดยเสด็จรอยอยุคนบาดเราคนเดินดาวเราก็ตามรอยเท้าพระอราหารันต์ แน่นอนไม่ใช่ในยะที่สมบูรณ์แต่ว่าเราก็ทําไปตามกับคังความสามารถที่เราจะกระทาได้ทุกฝังกันหลายแต่หลมพ่อุทธิยานในวันนี้ขอยุติไว้ทียเวลาเป็นแ่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญพ้อมนําไปบูนในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหล า, าโยโดยทุกการสวัสดี